ถามกำลังกลุ้มใจคะ่ะตั้งใจทําบุญด้วยทุนใหญ่ประมาณหนึ่งและได้ประกาศกับคนรู้จักให้เป็นที่รับทราบไปแล้วจะเกิดอยากเปลี่ยนใจขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าต้องใช้ทุนมากเกินไปอีกอย่างมีคนที่นับถือได้ทักทวงไว้ด้วยอยากทราบว่าจะเป็นบาปมากไหมหรือถ้าไม่บาปบุญจะลดส่วนลงด้วยหรือเปล่าคะตอบสาหรับผู้ชายนั้นเริ่มเริ่มการมีบุญ มักมีศรัทธาอ่อนกว่าหญิงแต่แตัดสินใจทำแล้วมักเอาจริงไม่กลับเปลี่ยนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรผลที่เกิดกับจิตใจจึงเป็นความหนักแน่นไม่กลับไปกลับมาง่ายมีความโน้มเอียงจะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าใช้อารมณ์ส่วนผู้หญิงมักศรัทธาแรงในเบื้องต้นใจประเภทอยากทุ่มหมดตัวมีอะไรให้หมด นี่เกิดขึ้นได้ปุบปับเลยแต่ระหว่างกําลังรอทาทําสําเร็จไปแล้วมักหวนคิดกลับไปกลับมาเกิดความลังเลเสียดายโดยเฉพาะถ้าเบื้องแรกไปตั้งใจไว้เสียสูงลิบยิ่งตั้งใจสูงเท่าไรแล้วเปลี่ยนใจภายหลังจะยิ่งเท่ากับคุณเพราะนิสัยโลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้ไว้มากขึ้นเท่านั้นบุญน่ะได้นะครับได้รับผลบุญแน่ แต่จะเป็นประเภทที่ให้ผลไม่แน่นอนแล้วใจก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนด้วยในคาพีท่านถึงว่าการทำบุญด้วยจิตใจหวั่นไหวนั้นเป็นลักษณะของหญิงเมื่อจะเสวยบุญจึงเสวยในอัตภาพของหญิงในวงเล็บแต่ถ้าชอบใจความเป็นหญิงแล้วทำบุญอธิษฐานให้เป็นหญิงผู้เลอ ด, ด้วยอายุวันนะสุ ข, ขาพละก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับวงเล็บปิดถามว่าบาปไหย คุณไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรนี่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนใจกลางคันแต่ตัวที่ทำให้เปลี่ยนใจจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ความจรรีาอันเป็นเกลอือแก้วของความโลภกรรมใดๆที่เจืออยู่ด้วยความโลภย่อมมีมนทินอย่างน้อยก็ทำให้ไม่สบายใจเห็นเห็นหลักอันที่จริงถึงแม้ทำตามความตั้งใจแรกคุณก็คงไม่ถึงกับหมดตัวล่มจมอะไรเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นคงไม่คิดตั้งแต่ต้นแล้ว ขอให้คิดซส้อว่าครั้งนี้เป็นการลงทุนทางใจก็แล้วกันอย่าไปตีค่าเป็นจำนวนเงินให้ตีค่าเป็นความหนักแน่นทางใจแทนจะได้เห็นความคุ้มค่าในการรักษาสัตว์จะแล้วจำไว้เป็นบทเรียนสำหรับคราวต่อไปตั้งต้นขึ้นมาต้องให้พอดีแน่ใจว่าจะไม่รู้สึกเสียดายในภายหลังการทำบุญ จะได้เป็นไปเพื่อความสุขทั้งก่อนทำํำขณะทำและหลังทํำครับเมื่อทําตามความตั้งใจแรกได้สําเร็จนะครับสังเกตความรู้สึกที่ต่างไปคุณจะคิดหยุมหยิมน้อยลงและอาจกลายเป็นคนตัดสินใจได้เด็ดขาดขึ้นกว่าเดิมเรื่องทําบุญนั้นชาวบ้านมักนึกว่าเป็นเรื่องเล็กแต่คนเข้าใจเรื่องกรรมวิบากจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมันเป็นปัจจัยควบคุมชีวิตมีสิทธิ์กำหนดทิศทางความรู้สึกนึกคิดและเส้นทางรับชะตากรรมของเราได้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่ควรดูเบาแต่อย่างไดครับ